1. มุสาวาตวัก 9. ทุททุลาโรชนาสิกขาบทว่าด้วยการบอกอบัติชั่วยาบเรื่องพระอุปนันทสักยบุตร78สมัยนั้นพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถาบินทิกาเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีสมัยนั้นท่านพระอุปนันทสักยบุตรทะเลาะ ก, กับพวกภิกษุชพาพคี ท่านต้องอบัตสังฆาธิเศษข้อจงใจทําน้ําอสุจิให้เคลื่อนจึงขอสงอยู่ปริวาสเพื่อออกจากอาบัตนั้นสงให้ท่านอยู่ปริวาสเพื่อออกจากอาบัตนั้นสมัยนั้นในกรุงสาวัสดีมีสังฆพัฒของสมาคมหนึ่งเกิดขึ้นท่านพระอุปนันทศักยบุตรกําลังอยู่ปริวาสจึงนั่ ง, งณอัสนะสุดท้ายในโรงอาหารพวกพิสูจนชาบัคีกล่าวกับอุบาสกเหล่านั้นว่า ท่านพระอุปนัน t h สักยบุตรเป็นพระประจําระกูลที่พวกท่านยกย่องใช้มือที่เปิบข้าวที่เขาถวายด้วยศรัทธาพยายามทําน้ําอสิจิให้เคลื่อนท่านต้องอาบัติข้อจงใจทําน้ําอสิจิให้เคลื่อนจึงขอสงอยู่ปริวาสเพื่อออกจากอาบัตินั้นสงให้ท่านอยู่ปริวาสเพื่อออกจากอาบัตินั้นท่านกําลังอยู่ปริวาสจึงนั่งณอาสนะสุดท้ายบรรดาภิกษุผู้มักน้อยจึงตําหนิ ประนามโพลทนาว่าชไนพวกภิกษุชัพพคีจึงบอกอาบัติช่วยยาบของภิกษุแก่อนุปสสมบันเล่าครั้นภิกษุเหล่านั้นตำหนิพวกภิกษุชัพพคีโดยประการต่างๆแล้วจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ